บุกทูเจ็ดเซบหมายเลขซิเฟรอยดิฉันนับมิคาลคูลัสหนึ่งสองสามอูนูดูทรี ดิฉันนับถึงสามมีคัลคูลัสจสดิฉันนับต่อไปมีพลูคัลคูลัสสี่ห้าหกบาร์ครีนเซสเจ็ดแปดเก้า เซปออกนาวดิฉันนับมีคัลคูลัสคุณนับมิคัลคูลสเขานับมิคัลคูลัสหนึ่งที่หนึ่งฮูนูและฮัว สองที่สอง due la due สามที่สาม three la t r e a สี่ที่สี่ a r la q a r ห้าที่ห้า quinta la q i n a หก ที่หกเซสล a เซส่เจ็ดที่เจ็ดเซปลาเซปะแปดที่แปดออกล a ออเก้าที่เก้าน่าวลานาว